รายละเอียดหมดเก็บรายละเอียดหมดหนึ่งฉะนั้นถ้าหากล่องรอยในการเดินวิปัสสนาญาณไปสู่โสดาปบิมัคยอย่างหนึ่งล่องรอยในการเดินวิปัสสนาญาณไปสู่สกัดทาคาบีมัคก็กว้างใหญ่และลึกซึ้งอีกอย่างหนึ่งร่องรอยในการจะเดินวิปัสสนาญาณเป็นต้นเป็นไปตามเราไปจนถึงอนาคามัคก็อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมฐานแต่ละฐานของท่านยิ่งใหญ่กว้างขวางมากยากนักที่จะพารนาได้ ยากนะอย่างเราท่านทั้งหลายก็ได้แต่ล่องรอยเล็กๆน้อยๆกันเนี่ยนะตามสติกําลังนี่แหละอเล็กน้อยของเราเลยแต่ให้รู้เถอะว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากว้างใหญ่ไพศาลนนะักกว้างใหญ่ไพศาลแทงตลอดอริยสัตว์ทุกอนูของสัตว์โลกเนี่ยนะแล้วท่านสามารถประชุมคิดอริยสัตว์ได้หมดเลย ยิ่งปัจจัยวิปัสนาญาณที่จะเป็นฐานของอารามธรรมคซึ่งจะได้สัมมาสัมโพธิญาณอยู่มาล่อมาล่อแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งยิ่งมหัศจรรย์พลึกมากแล้วก็ต้องต้องเข้าใจฐานตรงนี้ฉะนั้นเมื่อวิปัสนาญาณของท่านเดินไปไปตามลําดับไปว่ากระจุยกระจายหมดแล้วท่านโลกยะปฏิเวทยาเนี่ความไม่ร่มหลงในปรมาบัญญัติโดยการกระทําให้เป็นอารมณ์และมีนิสนาเวทของอารามธรรมนี่เป็นอัธยาศัยเปชัดแล้ว จะลืมนะว่าการได้แตละมรักท่านก็ได้นิพพานเป็นอารามนาธิบดีของท่านใช่ไหมใช่เป็นอารามโนปนิสยปะปัจจัยของท่านเพราะท่านถอนออกมาเนี่ยท่านไม่น้อมเข้าสู่นิพพานของโสดาปิมรักนะนิบบราของนิพพานของโสดาปิผลเป็นต้นนะเพื่อให้เป็นอารามนาทิบดีเนะเพราะใจท่านไม่หยุดอยู่ตรงนั้นท่านรู้ว่านิพพานที่ลึกซึ้งละเอียดมากกว่านี้มีอยู่เห็น ไ, ไหมแ ม, ม้ปัสนายันที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้มากมีอยู่ท่านก็เดินเดินใช่ไหม น้อมเป็นนิสสนาเวทของท่านที่สูงขึ้นไปละเอียดขึ้นไปประณี่ขึ้นไปเป็นต้นมองเห็นใช่ไหมก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้อันนี้คิดแบบเล่าๆอย่างเราท่านจังละคิดแบบคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นการเดินเดินสมถาวิปัสนาของท่านนี่ชัดเจนมากศีล ส, สมถาวิปัสนาของท่านลองคิดดูว่าท่านพละนาถึงขนาดว่าตอนที่เป็นแค่อุทยพยากรณอย่างอ่อนที่มีโอภาษเกิดขึ้น่ รัศมีที่ออกจากระวรากายที่เกิดขึ้นจะหาไัยของท่านที่ได้รับจากวิปัสนาญาณอันนี้หาไทยของท่านที่เป่งสว่างเนี่ยทีแรกก็แค่จุดของหัทยาวทูลูปต่อมาก็เป็นศรรสาสตร์สามภาราหัทยาวทูบทั้งยวงเลยปลังงามมากนะเข้าเนะเข้ากระทบของหมหาพูด ที่เกิดจากกรรมทั้งสิ้นเกิดจากจิตเกิดจากตุกอุตุแล้วเกิดจากหานี่เนะียเปล่งปังแพ่ไปจักรวาลทั้งสิ้นเนะี่ยเอาสิใช่โอภาษของท่านนะกว้างใหญ่มากนี่ขนาดโอภาษที่แพ่ออกจากสรีระของท่านทั้งสิ้นเนี่ยออกไปในจักรวาลนนะอันนั้นยังไม่ใช่มรรคเนะีไม่ใช่มรรคด้วย แสงสว่างขนาดนั้นนะเนี่ยพระองค์ไม่วิปริตมนสิการว่าแสงสว่างคือมากเอาสินี่ไงปัญญานี่ไงความชัดเจนของการทำปริญญาอย่างรอบแล้วในยะตะถ้าท่านทั้งหลายเจริญนิพสานาถ้าปริญญาในยาตะปริญญาเนะไม่ไม่ชัดเจนนะก็ไปติดแง่งอยู่ตรงเนี้ย ไ, ไปติดแง่งแค่โอภาสนี่ ปีตีปสัสสัธิไม่ต้องพูดถึงก็ไปติดกันอยู่นั่นละเพราะอะไรฐานของยาตาไม่ชัดอริยสัจไม่ชัดไม่เห็นว่านี้ทุกไม่เห็นว่าสมุทัยเนี่ยก็เป็นเหตุของทุกก็คืออะไรไม่เข้าใจอนิสสาระวิเวกเป็นยังไงด้วยและไม่เข้าใจว่าสิกขาสามเดินอยู่เนี่ยลงทิศหลงทางแล้วแค่ไหน น, นั้นท่านชัดเจนหมดทุกนี่ท่านเห็นมาอย่างยาวนานด้วย แล้ ว, วิปัสนาญาณของท่านที่เดินก่อนที่จะขึ้นสู่ห้องของวิปัสนาญาณชั้นสูงเนี่ยโอ้ชั้นชัดชจนตรงนี้ก็เป็นข้อบ่งบอกว่าคนที่มีข้อมูลเพียรพร้อมเนี่ยไม่หลงแต่ท่านวิจัยเป็นจนฐานของท่านละเอียดละ อ, อนเนี่ยไม่มีทางหลกน่าจะเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไปเข้าใจว่าแสงสว่างเป็นที่ผ่านนั้นวิปริตมรรสการไม่เกิดขึ้นกับพระมหาบุรุษอย่างแน่นอน ถึงแม้แสงสว่างจักปลันีสักเพียงใดใช่ไหมจักสว่างจาเจ้าสักเพียงไรนั่นแหละคือคือการวิจัยทุกศาสต ร, โาตาร์โดยยาตาปริญญาโดยตีเดานะเป็นยามาอย่างช่ำชองแล้วเห็นเหตุเห็นปัจจัยอะไรทุกแง่ทุกมุมท่า น, นเข้าใจหมดท่านเห็นอัตาภาพด้วยความเป็นพรหมก็เห็นทั้งแนดีนาคตและในปัจจุบันท่านรู้ใช่หไหมท่านเข้าใจ ว่าทุกษัตริย์ของกลุ่มพรมกดีรูปวพรมอรูปพรมทั้งหลายและสัญญาสัตรพรมทั้งหลายนี่ท่านเข้าใจชัดแปลว่าท่านวิจัยเรียบร้อยแล้วมีอะไรที่ท่านจะต้องติดข้องโลกียธรรมทั้งหลายในธรรมดาโลกียธรรมทั้งหลายต่อใ้เปล่งลัศมีมากกว่านั้นท่านก็ยังไม่ติดข้องสมาบัตทุกสมาบัติไว้ว่าปฐมฌา น, านตานุติฌานตติฌานจตุติฌานและลุบฌานทั้ง4จึงไม่ใช่เป็นอัธยาศัยที่ท่านจะต้องไปติดข้องในสิ่งเหล่านั้นเลย แปลว่าท่านวิ จ, จัยกระจุยหมดทั้งยาตาติปริญญาตีระนาบปริญญาและท่านประหารนัปริญญาโดยแต่ทางกาบประหารทาจนเป็นอัธยาศัยแล้วชํานี้ชํานาญมากฉะนั้นจะทําให้ท่านเฟไม่มีเลยทํามุทะจะทําให้ท่านเฟไม่มีเลยเพราะท่านฉลาดเกินใช่ไหมเกินกว่าอารมณ์เหล่านี้ที่จะไปล่อลวงปัญญาญาณของท่านได้นี่ไงถ้าหมาหาอุษถ้าไปติดหลงวลอย่างนั้นแหม ไม่ใช่แหละใช่ไหมพระมหาบุรุษระดับบา ร, รมีแก่กล้าแล้วเนี่ยไม่มีนี่บ่งบอกถึงอาศะธาใช่ไหมอาทีน่ะว่าท่านเห็นอาศะธาท่านก็เห็นฉะนั้นท่านน้อมไปที่นิสสระณะวิเวกนิสรณะอย่างเดียวนิสรณะอย่างเดียวคือหนึ่งตอนนั้นท่านกําลังประกอบอริยมรรคอยู่ประกอบมรรคสัตว์อยู่แล้วเมื่อท่านค้นหามรรคสัตว์ได้แล้วท่านก็ขึ้นนั่งบน มักษัตริ์มักษัตริ์ก็จะวิ่งหาพระนิพพานเน้อมหาพระนิพพานเข้าใจใช่ไหมเป็นอย่างนี้ถ้าศิกษาสามท่านชัดการศึกษาชัดการเข้าใจเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดชัดความหลงไม่เกิดขึ้นของบุคคลผู้เจริญสมถะหรือวิปัสนาเราท่านทั้งหลายที่เดินเลาะริมฝั่งกันทั้งหลายเนี่ยเพราะไม่ชัดทั้งความงามในเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดถ้าชัดไม่หลง ฟังไม่กี่ประโยคก็เข้าใจว่าใช่หรือไม่ใช่พระธรรมของพระผู้มีประภาคนี่เราฟังที่มันสรุปไม่ได้ก็เพราะนี่แหละความไม่ชัดเจนในความงามในเบื้องต้นก็ไม่ชัดในท่ามกลางเลยในที่สุดไม่ชัดไม่ชัดในส่วนของพระปริยติศาสนาเนาะปฏิบัติศาสนาการจะเดินสิกขาสามก็เป็นปัญหาเลยนี่เป็นปัญหาเลยปฏิเวธศาสน า, าไม่ต้องพูดถึงใจไม่นอบตั้งแต่เรียนปริยัตแล้วตั้งแต่ฟังพระธรรมแล้ว เขฟังว่ารมนี่คือก็ประกอบในการนิสสนาวิเวกเป็นอัจฉริยะใช่ไหมใจเขาถึงน้อมใจเขาถึงมุ่งมั่นใจเขาถึงไม่อะไรเอาวรนในสิ่งอื่นมีไหมคนฟังธรรมในสมัยข้ามพุทธกาลใจหวนถึงบ้านไม่มีหรอกใจท่านมุ่งมั่นในการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พิจารณาใครด่วนเพราะท่านรู้ว่าท่านกําลังประกอบกิจอะไรของท่านอยู่ แล้กิจอันนั้นเป็นกิจที่จำเป็นเป็นกิจที่สําคัญที่สุดเป็นทั้งหมดของชีวิตของท่านเพราะตอนนี้ท่านมาประกอบอะไรประกอบโยนิโสมนัสิการอยู่และมีปารโทโคสะกล่าวคือพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ท่านอยู่ต่อหน้าพระบรมศาสดาอยู่ใช่ไหมมีพระธรรมของพระเจ้ากำลังขัดเก่าวทยาสายของท่านอยู่ทําไมท่านจะไม่มุ่งมั่นใช่ไหมลองไปดูแต่ละสูตรที่เอวามสุตังถ้าว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ ท่านพระนรนท่านพูดตัวท่านเองเลยท่านบอกว่าที่ท่านสดับมาเนี่ยท่านไม่มีวิปลิตมนุสิกาในการสดับนอะได้ในที่ขณะที่ท่านสดับเนี่ยท่านถอนจิตของตัวเองออกจากอสัตธรรมน้อมก็หาภาษาธรรมเนอะตอนนั้นน่ะท่านไม่ได้น้อมน้อมจิตไปในทางที่เป็นอสัตธรรมเลยที่นอกพระธรรมคาสอนของพระเจ้าเลยแล้วจิตของท่านมุ่งมั่นในการบังภาษาธรรม และโดยกำลังของท่านที่ท่านฟังมาอยู่เฉพาะพระพักนี่นะท่านต้องการจะหลีกเลี่ยงเลยใช่ไหมว่าท่านฟังมาจริงๆแล้วโดยบา ร, รมีของท่านที่สั่งสมมาแสนกลับเนี่ยเป็นปหูสูตรเป็นพุทธอุบกข์มีคติมีทิฏฐิเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้มีความทรงจํามันเลิศโ ด, ดยอย่างเงี้ยนีเนี่ยนะท่านจํามาได้อย่างเงี้ยตอนหน้าพระพักด้วยแล้วนี่เป็นคําสอนของเจ้าจริงๆข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างเนี้ยใช่ไหมแล้วข้าพเจ้านี่